ศัทธาปีติใจสติเนี่ยนะสี่ประการเนี่ยไม่หายไปไม่ปราดไปไม่ละไปไม่พินาศไปจากาศาสนาของพระโคดมคือจากาศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระชินเจ้าศาสนาของพระตถ า, าคตาศาสนาของพระอระหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในทิศใดๆใจของข้าพเจ้าก็น้อมไปนะพระองค์ประทับอยู่ในทิศไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกนะนะ ใจของข้าพเจ้าก็โอนไปโอนไปเงื่อมไปน้อมไปในทิศนั้นน่และคือศรัทธาปีติใจของพระพุทธศรัทธาปีติใจและสติของข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้หายไปจากศาสนาของพระโคดมพระโคดมผู้มีปัญญา กว้างขวางดังแผ่นดินมีปัญญาหลักแหลมมีปัญญาใหญ่มีปัญญาหนามีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเร็วมีปัญญาทำลายกิเลสย่อมเสด็จไปสู่ทิศใดๆอาตมานั้นก็ย่อมเป็นผู้นอบเนอะไปในทิศนั้นนั่นแลลวกายของอาตมาผู้แก่แล้วมีเรี่ยวแรงทุรพลไม่ได้ไปในสำนักของอไม่ได้ไปในสานักของพระพุทธเจ้าประทับนั้นนั่นแหลแต่อาตมาย่อมเป็น ย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึงดำริถึงท่านพราหมณ์ใจของอาตมานั่นแหละประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับอยู่นั้นเนี่ยนะคือกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้วกายเนี่ยแกแล้วนะแต่ว่ากายเนี่ยไม่สามารถอยู่ใกล้ได้แต่ใจเนี่ยก็น้อมไปหาพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประทับอยู่ที่ใดข้าพเจ้าก็มีใจน้อมระ ล, ลึกไปในทิศนั้นนั่นแหละ อธิบายว่าข้าพเจ้าเป็นผู้แก่แล้วก็คือเป็นผู้แก่ผู้เท่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านไวัยไปโดยลําดับมีเรี่ยวแรงทุรพลคือมีเรี่ยวแรงถอยกําลังมีเรี่ยวแรงน้อยมีเรี่ยวแรงนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกายของอาตมาจึงไม่ได้ไปในสํานักของพระพุทธเจ้าคือไปไม่ได้ น, นะคือไม่ไปข้างหน้าไม่ไปถึงไม่ได้เข้าไปใกล้สํานักของพระพุทธเจ้าที่ประทับแต่ว่าย่อมไปถึงด้วยความดําริคือด้วยความตรึกด้วยยานเนี่ยนะ คือย่อมไปย่อมถึงย่อมเข้าไปใกล้ด้วยการดำริถึงด้วยการไปด้วยการตรึกถึงด้วยการไปด้วยญาณด้วยการไปด้วยปัญญาด้วยความรู้นะก็คือไปด้วยสัตวิตกไปด้วยปัญญาไปด้วยใจนะกายไปไม่ได้ฟางันเพราะฉะนั้นท่านพราหมณ์ ประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับคือว่าใจของอาตมาภาพประกอบประกอบดีแล้วด้วยทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เพราะฉะนั้นท่านรามใจของอาตมานี่แหละประกอบด้วยแล้วที่สาภาคที่พระองค์ประทับอยู่สรุปว่ากายของอาตมาแก่แล้วมีเรี่ยวแรงทุระพลย่อมไปไม่ได้ในสำนักของพระพุทธเจ้าที่ประทับนั่นแลแต่อาตมาย่อมถึงเป็นนิดด้วยความคิดถึง ท่นพรามใจของอาตมานี่แหละประกอบแล้วด้วยที่สาภาคที่ประทับอยู่นั่นนะอาตมานอนอยู่ในเปลือกตมดิ้นรนอยู่เล่นไปสู่ที่พึ่งจากที่พึ่งภายหลังได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะแล้วไม่ได้มีอาสะวะ เมื่อก่อนก็นอนอยู่ในเปลือกตม嘛นะเปลือกตมก็เป็นชื่อของกามก็คือนอนอาศัยพลิกไปพลิกมาในเปลือกตมคือกามในลมคือกามในกิเลสคือกามในเบ็ดคือกามในความเร่าร้อนคือกามในความกังวลเพราะกามดิ้นรนก็คือดิ้นรนด้วยความดิ้นรนเพราะตันหาเพราะทิฏฐิกิเลสดิ้นรนเพราะประโยคะเพราะวิบากเพราะทุจริตกำหนัดแล้วด้วยความดิ้นรนเพราะราคะขัดเครืองแล้วด้วยความดิ้นรนเพราะโทสะ หลงแล้วเพราะความดิ้นรนด้วยโมหะมานะผูกพันแล้วดิ้นรนอยู่เพราะมานะถือตัวแล้วดิ้นรนเพราะทิฐิถึงความฟุ้งซ่านแล้วดิ้นรนเพราะอุทะจะถึงความไม่ตกลงแล้วก็ดิ้นรนเพราะวิจิกิจชาไปโดยเรียวแรงแล้วดิ้นรนเพราะอนุสัยดิ้นรนเพราะลาบเพราะความเสื่อมลาบเพราะยศเพราะความเสื่อมยศเพราะนินทาเพราะสรรเสริมเพราะสุขเพราะทุกข ดินรนอยู่ในชาติชราพญาทีมรณะโศกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตดินรนอยู่ในทุกขเพราะในนรกเดรชานเปรติวิสัยดินรนกระเสือกกระสนวันไว้สทกสถานในทุกขเพราะมนุษย์ทุกมีการก้าวลงสู่คันเป็นมูลเหตุทุกตั้งอยู่ในคันทุกเพราะออกจากคันทุกเนื่องด้วยสัตว์ผู้เกิดทุกเนื่องด้วย แต่ผู้อื่นจากสัตว์ผู้เกิดทุกพระความพยายามของตนทุกขพระความพยายามของผู้อื่นทุกกรทุกสังขารทุกข์วิปริณามทุกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอมือโรคไข้วัดร้อนในโรคพร้อมโรคทองโรคสลบทรงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเลือนฝีกลากมองคล่อลมบ้าหมู หิต ด, ด้านหิตเปื่อยคันลำบากโรคคุทธาชลักกะปิดเนี่ยนะโรคดีโรคเบาหวานที่เสีดวงต่อมบานทโรคหรืออาภาษ์ที่เกิดจากดีเสมหะลมเนี่ยนะอากาศที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้ประชุมกันหรืออาภาษ์ที่เกิดจากอุตุปแปรไปการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่สม่ำเสมอความเพียนเกินกำลังอาภาษที่เกิดจากพ้นของกรรม ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสาเสือคลานทุกเพราะพ่อตายแม่ตา ย, ตายพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรตายที่ดาตายนะทุกเพราะญาติชิบหายทุกเพราะพวกกระซับชิบหายทุกเพราะโรคทุกเพราะชิบหายแห่งศีลเสียศีลเสียที่ถี่ก็ทุกเพราะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนอนดิ้นรมอยู่ในเปลือกตมคือกองทุกข์ดังที่กล่าวไปแล่นไปแล้วสู่ที่พึ่งจากที่พึ่ง คือเล่นแล้วสู่ะนะจากศาสดาสู่ศาสดาจากบุคลบนะ ค, บคลผู้บอกธรรมเนี่ยนะเรียว่าสู่บุคคลผู้บอกธรรมจากบุคคลผู้บอกธรรมสู่หมู่จากหมู่สูท่ทิฏฐิจากทิฏฐิสู่ปฏิปทาจากปฏิปทาสู่มักจากมักเมื่อก่อนดิ้นรนอยู่ในกามนะสแสวงหาศาสดาไปเรื่อยสแสวงหาลทัทธิไปเรื่อยปาฏิบัติไปตามหมู่คณะเขาพาไปเรื่อ ย, อยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นาศาสนาของพระพุทธเจ้า ตอนนี้นะได้เห็นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยเป็นไปล่วงกามโมคะพะวคะที่โถฆะวิโชคะพระองค์นั้นนะเป็นพระอรหันต์ประพฤติจารณะจบแล้วเป็นผู้สิ้นวัตตะพระองค์ไม่มีอาสะวะคืออาสะวะสี่กามาสะวะภวาสะวะทิฐาสะวะอวิชชาสะวะอาสะวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เนี่ย ทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตาลยอดด้วน น, น, นให้ถึงความไม่มีในภายหลังมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าไม่มีอาสวะข้ามโอคะไม่มีอาสวะ น, นะสรุปว่าท่านปิงคิยะเทระเนี่ยเล่าให้ภาวีพรามฟังว่าอาตมานี่นอนในเปลือกตมคือกามดิ้นรนอยู่ในวัฏฏทุก เล่นไปแล้วเนี่ยนะจากที่พึ่งสู่ที่พึ่งเรียกว่าหันหนะ้าหาศาสดาพึ่งไปด้วยพึ่งทำพึ่งหมู่คณะไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าภายหลังได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอฆะได้แล้วผู้ไม่มีอาสวะระหว่างที่ท่านพระปิงกียะเถระเนี่ยนะกล่าวผู้ทัคุณเนี่ยนะแสดงทําให้ภาวรีพราหมณ์ฟังทั้งพระปิงกียะเถระทั้งพราหม์ภาวีพราหมและสิทธ์ที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็มีปีติปราโมท พระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้พระองค์ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวะถีอยู่พระองค์ก็เห็นว่าอินทรีย์บารมีของแต่ละท่านเหล่านั้นแก่กล้าแล้วพระองค์ก็แผ่พระัศมีโอภาสเหมือนประทับอยู่ต่อหน้าตรัสว่าพระวกคะลิก็ดีพระพัทธาวุฒะก็ดีพระอาลวิโคตมะก็ดีเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดนะคือพระวกคะลิพระพัทธาวุฒะพระอาลวิโคตมะเนี่ยนะท่านเป็นศรัทธาที่มุด คือบรรลุเพราะศรัทธาฉันใดแม้ท่านก็ฉันนั้น น, นะท่านก็จงปล่อยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิงคียะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุคือผู้น้อมบรรลุธรรมเนี่ยนะน้อมด้วยศรัทธาก็มีน้อมด้วยปัญญาก็ดีเพราะฉะนั้นท่านน้อมด้วยศรัทธาเพื่อบรรลุเธอะเนี่ยนะคำว่าพระวกกะลีพระพัทราวุฒิพระอรวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาธีมดุดคือมีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใด คือภวัคะลิเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยไปแล้วเป็นผู้หนักในศรัทธามีศรัทธาเป็นหัวหน้าน้อมใจไปด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่บรรลุเป็นพระอรหันต์ฉันใดพระพัทราวุฒพระอรวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาอันปล่อยไปแล้วเป็นผู้หนักในศรัทธามีศรัทธาเป็นหัวหน้าน้อมใจไปด้วยศรัทธามีศรัทธาเป็นใหญ่ได้บรรลุพระอรหันต์ฉันใดเนนะ แม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงปล่อยคือปล่อยทั่วปล่อยไปให้พร้อมน้อมลงจงกําหนดซึ่งศรัทธาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงนะน้อมไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นนาณตานะน้อมไปในปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมน้อมไปในอริยสัจน้อมไปรู้เหตุเกิดความดับอาศทะอาทีนว่านิสระของ อุปาทานขันห้ามหาภูตรูป4ี่ภาษายตนา6กเนี่ยนะอภิญญายธรรมปริญญายธรรมเป็นต้นเนี่ยนะตลอดจนถึงรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นให้ท่านปล่อยสัตธานน้อมใจแทงตลอดอริยสัตเถอนนะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุนนที่ตั้งแห่งมัจจุก็คือกิเลสขันอภิสังขารเรียกว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุ ส่วนอมตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้ง ป, ว ง, ว, ป, งปวงความสิน้นตัณหาความคลายกำหนัดความดับความออกจากตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดตรัสว่าฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุเพราะฉะนั้นดูก่อนปิงนขียะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุคือถ้าท่านน้อมใจไปด้วยศรัทธาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะท่านจักรู้ถึงจักถูกต้องจักทําให้แจ้งซึ่งฟัง สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าพระวัคคะลิพระพัพะพทธาวุธะพระอารวิโคตมะเป็นผู้มีศรัทธาที่มุดคือมีศรัทธาอันปล่อยแล้วฉันใดแม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนปิงคยะท่านจักถึงฝั่งแห่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุพันธ์พระปิงคียะท่านก็แนงเหมือกนนะ ก็บอกว่าข้าพระองค์นี้ได้ฟังพระดำรัสของพระมูนีแล้วย่อมเลื่อมสายอย่างยิ่งพระสัมพุทธเจ้ามีเครื่องมุงบางอันเปิดแล้วไม่มีหลักตอ่อเป็นผู้มีปฏิพันธ์ข้าพระองค์นี้ย่อมเลื่อมสายอย่างยิ่งคือนะย่อมเลื่อมสายคือศรัทธาน้อมใจเชื่อในอริยสัจดังที่พระองค์แสดงทั้งหมดเนี่ยนะเพราะได้ฟังคำของพระองค์ผู้เป็นมุนีฟังสดับศึกษาทรงจาเข้าไปกาหนดซึ่งพระดารัส คำเป็นทางเทศนาอนุสนธิของพระองค์ซึ่งพระองค์เป็นผู้ไม่มีเครื่องมุงบงังนะนะพระองค์เนี่ยไม่มีเครื่องมุงบังคือตันหาทิฏกิเลสทูจริตอวิชชาธรรมะหประการคือตันหาทิฏกิเลสทุจริตอวิชชาเรียกว่าเครื่องมุงบงังเครื่องมุงบังเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงเปิดแล้วคือทรงรื้อถอนขึ้นทรงละตัดขาดสงบระงับทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยาน อันนะกิเลสเป็นเครื่องหลักตอ่ออันนะกิเลสเป็นดังหลักตอก็คือราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธตลอดจนถึงอกุศลภิสังขารเรียกว่ากิเลสเป็นดังหลักตอ่อหลักต่อเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดขาดแล้วทําให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนให้ถึงความไม่มีในภายหลังให้มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพระองค์นี้เป็นผู้มีปฏิพันธ์คือ ถ้ากล่าวไปในบุคคลผู้มีปฏิพานก็มีปฏิพานด้วยเหตุ3ามอย่างนะมีปฏิพานเพราะปริยัตมีปฏิพานเพราะสอบถามมีปฏิพานเพราะอาธิคมส่วนผู้มีปฏิพานเพราะปริยัตก็คือผู้เรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกนะที่ประกอบไปด้วยสุตตะคยะวยาการณาคาถาอุทานอิติพุตตะชาตกะอภูตธรรมเวทะระผนบุคคลผู้เล่าเรียนก็จะทําให้มีปฏิพาณเรียกว่ามีปฏิพานเพราะอาศัยปริยัต ส่วนบุคคลผู้มีปฏิพานเพราะปริปุชาก็คือผู้ที่สอบถามในอัดในมักในลักขณะในเหตุในฐานะอาถรณะเพราะฉะนั้นผู้ที่สอบถามดังกล่าวนี่ก็จะทําให้มีปฏิพานย่อมแจ่มแจ้งเพราะอาศัยปริปุชาส่วนผู้มีปฏิพานเพราะอาธิคมก็คือผู้ที่บรรลุสติปัญญานสัมมปาปัญญาอิทิบาทอินทรีย์พละโพชฌงอริยมรรคสามัญญผลสี่ปฏิสัมพิทาสียปิญญาหก เพั้บุคคล น, นั้นรู้อัดรู้ทำรู้นิรุต น, นะเมื่อรู้อัดรู้ทำรู้เมื่อรู้อัดอัดก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทำทำก็แจ่มแจ้งเมื่อรู้นิรุตนิรุตก็แจ่มแจ้งยานในฐานะทั้งสาเรียกว่าปฏิภาณปฏิสัมพิทาพระผู้มีพระภาคเจ้าไ ป, ไปถึงไปถึงพร้อมมาถึงมาถึงพร้อมเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยปฏิสัมพิทานี้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าชื่อว่ามีปฏิภาณบุคคลใดไม่มีปริยัตไม่มีปริปุชามไม่มีอธิคมเนี่ยนะ ผลิอาลนของบุคคลเหล่านั้นจะมีได้อย่างไร